นั่นทำให้ปีาศาจเดินผ่านห้องต่างๆด้านนอกจนเข้าไปถึงท้องพระโรงชั้นในได้อย่างสบายๆแถมยังนั่งลงบนบันหลังของพระราชาอีกด้วยทหารยามและคนอื่นๆพลันได้สติเมื่อเห็นปีาศาจบนบันลังของพระราชาเขาตะโกนว่า ออกไปจากที่นี่ซักนี่ไม่ใช่ที่ของเจ้านะถ้าเจ้าไม่ย้ายก้นของเจ้าออกไปเดี๋ยวนี้แล้วก็เราจะแล่เจ้าเป็นชิ้นชิ้นด้วยดาบของเราด้วยคำพูดอย่างกโดโกรธไม่กี่คานี้ตัวเจ้าปีศาจก็โตขึ้นอีกสองสามนิวหน้าตาก็น่าเกลียดขึ้นกลิ่นเหม็นมนก็รุนแรงขึ้น คำพูดก็หลามกยิ่งขึ้นดาบถูกชักออกกวัดแกว่งไปมากริดถูกดึงออกมาพร้อมกับเสียงข่มขู่ต่างๆทุกๆคำพูดที่ออกอาการโกรธทุกๆ ก, การกระทําด้วยความโกรธแม้แต่ทุกๆความคิดโกรธตัวเจ้าปีศาจก็โตขึ้นทีละนิ้วทีละนิ้วหน้าเกลียดยิ่งขึ้นเหม็นยิ่งขึ้น และใช้ภาษาสกรปรกยิ่งขึ้นกา ร, รเผชิญหน้ากันยังคงดำเนินต่อไปสักพักจนกระทั่งพระราชากลับมาถึงวังท่านเห็นเจ้าปีศาจร่างอยกักบนบันลังของท่านท่านไม่เคยเห็นอะไรที่น่ากเกลียดสุดๆอย่างนี้มาก่อนเลยแม้แต่ใหนหนังภาพยนตร์ก็เถอะ กลิ่นเหม็นฉุนที่ออกมาจากกายเจ้าปีศาจนั้นแม้แต่นอนก็อาจจะคลื่นไส้ได้ภาษาที่ใช้ก็น่าเกลียดเสียยิ่งกว่าที่จะได้ยินจากบาร์ถึงเถื่อนกลางเมืองที่เต็มไปด้วยคนเมาในคืนวันเสาร์พระราชา ทรงใช้สติปัญญาก็ด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงเป็นถึงพระราชาท่านงสงทราบว่าท่านจะจัดการอย่างไรท่านกล่าวอย่างอบอุ่นว่ายินดีต้อนรับท่านยินดีต้อนรับสู่วังของข้าพเจ้ามีผู้ใดนำเครื่องดื่ม และอาหารมาให้ท่านเรือยังด้วยกิริยาท่าทางที่สุภาพเช่นนี้ตัวของเจ้าปีศาจก็หดเล็กลงสักสองสามนิวหน้าเกลียดน้อยลงเหม็นน้อยลงและหน้ารังเกียดน้อยลงเจ้าหน้าที่ประจำวังเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเรามีชาดารีลิงอังกฤษเบรคฟาสต์หรือเออเกร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 หมายเหตุเรื่องปีศาจกินความโกรธนี้มาจากสังยุตติกายสักกะสังยุตรพระสูตรหมายเลข22 บางเวลาคู่ชีวิตของเราอาจจะเป็นอีสาดกินความโกรธได้ถ้าเราโกรธเขาเขาก็จะเลวลงน่าเกลียดขึ้นเหม็นขึ้นพูดจาหน่ารำคาญยิ่งขึ้นปัญหาจะบานปลายขึ้นทุกครั้งที่เราโกรธเขาแม้แต่คิดโกรธในใจก็เถิดบางทีตอนนี้เราจะได้เห็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเรา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 มะเร็งพวกนั้นตอบสนองเป็นอย่างดีตอ่อพระราชาเจ้าของวังที่จะกล่าวกับมันอย่างกล้าหาญว่าเจ้ามะเร็งเอ๋ยประตูใจของฉันเปิดรับเจ้าอย่างเต็มที่ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรฉันก็ตามเจ้าจงเข้ามาเถิด